นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วย 2483 หลวง ให้ไปร่วมงานเททองสร้างพระบูชาที่วัดบังหอยตำบลศรีจุฬาอำเภอ อาจารย์พงศ์ท่านนี้ท่านมีความสามารถเก่งกล้าทางด้านคง มหาอุตตอัศจรรย์เป็นอันมาก 1 ใน 9 องค์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกเครื่อง 9 รูปเป็น หลวงพ่อชาติวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี 2 หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยา 3 หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัด 7 หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 8 หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ปรากฏว่าพลทหารสอนนี่ไปในสงครามเกาหลีไปถูกทหารข้าศึกยิงอย่างหนักแรงปะทะ นายสมรภูมิทหารไทยทุกคนได้ทําการรบเป็นสามารถทุกคนมีอ่า ท่านจะช่วยด้วยวิธีไหนเราก็ไม่สามารถจะกําหนด หลวงพ่อจาดและพระคณาจารย์ 9 องค์ได้ประจุพลังมงคลคร่าวๆในวัตถุอัน ขนาดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามระหว่างทางภูเขาต่อภูเขาโชเฟอร์จะประมาท ขาหักหน้าแตกไปตามๆอืมจะไม่ป้องรักษา ความรู้สึกขณะอยู่ในรถเหมือนกับถูกอุ้มนอนบนตักของแม่เลยทีเช่นที่ เสือสมิงนี่เป็นวิญญาณร้ายหรือว่าผู้เส 2 คุณไสที่ถูกปล่อยออกมาแบบที่เขาเรียกลมเพลมพัดแม้จะ ล้วนเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีสติไม่สมประกอบมี บังคับให้ลงๆอดนอนอาหารก็กินไม่ ข่าวเขย่าขวัญชาวบ้านบางหอยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วก็เด็กเรียกกันว่ากลัวกันมากเลยชนิดเย็นเข้าไปถึงไส้สันหลังเลยถ้าพูดถึงเนี่ยนะยิ่งเวลากลางคืนที่ ก็ทําให้ผีปอบร้ายเข้าสิงอาการของคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงอยู่ก็แสนที่จะ อาการวงไหวผิดปกตินะกินอาหารได้มากอาหารที่กินน่ะจะเป็นของดิบๆขาวๆเช่นเป็ดก่ายอยู่ในเล้าอ่ะกินสะเรียบ เขามีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์หลวง จากนั้นศิษย์หลวงปราชญ์ก็นําเครื่องมงคลนั้นลงสรงน้ําใน แต่ว่าเจ้าผีปอบที่สิงอยู่นี่มัน วิญญาณผีปอบก็ถูกเสียบอ่าดิ้นทรมานอยู่ไม่ เครื่องมงคลน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจาดนั้นยังสามารถรักษา ถ้าเมียเพราะเห็นหน้าผัวหรือว่าอ่าทางภาคใต้เค้าก็นับว่าเยี่ยมเหมือน รายนี้สายตานี่ตวัดสาวไหนนี่จะต้องหลงปุ๊บ หน้าขายรายนี้ไปจังหวัดไหนต้องมีลูกลูกมีเมียทุกแห่งมีอยู่แต่ มันดีไปทุกอย่างดีไปทุกอย่างจริตก็รัญจวนหวั่นไหวลูกสาวเศรษฐีต้องอ่าท่านค้าขายนะป้า ไหหลางถูกตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกกันเลยทีเดียว หลวงพ่อจาดท่านช่วยคนถูกวางยาสั่งเอาไว้ อาการแบบนี้ดูเผินๆคล้ายๆเป็นมาลาเรียถ้าใครแดงๆจะทะลักออก เป็นด้วยวิสัยของกรรมที่ติดตามแล้วกรรมกล่าวโดยแท้ถึงต้องเกิดมาชดใช้ มากมายอย่างหนึ่งก็คือกริ่งวัดบางหอยหลวงพ่อ มาได้มิน .38 ก็ถูกสับไกลปืนดังแชะแชะอ่ายังไม่แน่ใจพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนี้ๆรายที่ 2 เป็น ความจริงทหารในเขตจังหวัดปัตตานีสมัยสงครามโลกครั้ง แม้จะชนะทหารญี่ปุ่นทั้งๆชนิดเข้าจิตเข้าใจเลยทีเดียวนะไม่ผิดกว่าคน ถึงกับหาสิ่งของอันเป็นเครื่องมงคล ไปไม่ได้ 2499 หลวงพ่อจาด รวม 85 ปีบวชเป็นพระ 65 พรรษาครับหลวงพ่อจาด ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทําบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้าง 084 643 8770 084 ครับ